การฝึกหัดควบคุมผิดในเบื้องต้นมันก็ไม่ผิดอะไรกับเราไปดูต้นไม้ที่จะนำมาทาบ้านมาปลูกบ้านคือไม้ทั้งต้นไปดูแล้วมันอ่อนใจเหมือ น, นกันอะไรที่จะสามารถจะเป็นบ้านเป็นเรือนได้มองดูเห็นแต่ไม้ทางต้น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 ทำการทางานอะไรก็สบายทำให้เพลินในหลักปัจจุบันที่เป็นอยู่ภานจิตก็ทำให้มีความสบายคิดย้อนหลังมาถึงการภาวนางเราก็ทำให้เพลินเนี่ยแล้วคิดต่ข้างหน้าก็ทำให้เพลินที่จะขยับตัวขึ้นด้วยความเพียรอย่างนี้เรื่อยๆห้ทำให้เพลินไปเรื่อยๆแหละมีความสงบ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 ในเบื้องต้นของวิชาว่าสมุทรโยโหติทกกลายเป็นอวิชาพัจจะวะเสวะสลาการนิโรธาสร้างนิโรธาแล้วก็เป็นนิโรโโทโฮติโดยมีตัสสจเกลาระสาดูขั้นทัสสะนิโรโโทโฮตินะเหตุพลิกกันเชิงกันนั้นตายเป็นนิโรดดับสนิทขึ้นมาภายในใจคือดับที่เหลืออย่างสนิทไม่มีอเหลือเลยนี่เป็นเป็นขั้นสุดท้ายแห่งการสร้างบ้านสร้างเรือน